เพื่อมาสร้างความสุขให้แก่จิตใจด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราคิดดีพูดดีทำดีเพราะการคิดดีพูดดีทำดีนำความสุขมาให้แก่จิตใจวิธีที่จะคิดดีพูดดีได้ ก็ต้องมีคุณธรรมสประการคือพรหมวิหารสได้แก 1. ่ 1. เมตตาสองกรุณาสมุดิตาสอุเบกขานี่คือคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้พุทธศาสนิกชนหมัน่นเจริญกันอยู่เรื่อยเพราะถ้ามีความเมตตาการุณามุดิตาอุเบกขาแล้ว ใจจะคิดดีจะพูดดีจะทำดีเมื่อคิดดีพูดดีทาดีผลดีคือความสุขใจความเจริญของจิตใจก็จะตามมาเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องผลของความสุขของความเจริญของจิตใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะตามมาสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือเหตุ เหตุที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นเหตุที่จะทำให้เกิดผลเหล่านี้ก็คือคิดดีพูดดีทดําดีเหตุที่จะทำให้คิดดีพูดดีทดําดีก็คือความเมตตากรุณาบุริตาอุเบกขาเมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปส่วนหนึ่งเรื่องของความเมตตาคือเอเวลาโหนตุหมายถึงว่า อย่าจองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันใครเขาทาอะไรให้เราไม่พอใจเสียหายให้ยกโทษให้กับเขาไปพระพุทธเจ้าสอนว่าการจองเวรจองกรรมกันไม่ใช่เป็นวิธีระงับเวรระงับกรรมการไม่จองเวรจองกรรมเท่านั้นที่จะระงับเวรกรรมได้ดังนั้นอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรม ถึงแม้ว่าเราจะเสียหายเราจะเดือดร้อนก็ขอให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติเกิดมาในโลกนี้ต้องมีได้มีเสียเป็นธรรมดาและไม่ว่าได้มามากน้อยเพียงไรในที่สุดก็ต้องเสียไปหมดดันั้นเราจะเสียเราอย่าทำให้เราเสียใจเราอย่าทำให้ใจเราเลวลงแย่ลงถ้าเราไป ตอบโต้ไปทำร้ายเขาใจของเราจะแย่ลงใจของเราจะร้อนเป็นไฟใจของเราจะไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าให้ชนะตนอย่าไปชนะผู้อื่นต่าให้เราชนะผู้อื่นเป็นหมืน่นเป็นแสนครั้งก็ตามสู้ชนะใจของเราไม่ได้ชนะความโกรธชนะความเกลียด ชนะความอาฆาตพยาบาทชนะการจองเวรจองกรรมด้วยการให้อภัยเพราะถ้าเราให้อภัยได้แล้วใจเราจะเย็นใจจะรใจของเราจะมีความสุขและเราก็ไม่ต้องไปทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ทาก็คือคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายพูดเราก็จะสามารถ รักษาการคิดดีพูดดีทําดีได้เมื่อเราคิดดีพูดดีทดําดีความสุขใจความเจริญใจก็จะเป็นผลตามมานี่คือส่วนหนึ่งของความเมตตาอีกส่วนหนึ่งก็คือการมีความปรารถนาอยากให้ผู้มีความสุขเช่นวันนี้ญาติโยมก็มาแสดงความเมตตา อยากให้พระภิกษุสัมมนเนนและญาติโยมที่มาร่วมทาบุญกันมีความสุขด้วยการแบ่งปันมีข้าวของเงินทองที่มากเกินกว่าที่เราจำเป็นจะต้องใช้เก็บเอาไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเก็บไว้ก็มันก็จะเป็นวัตถุอยู่เฉยๆไม่ได้ทำให้เกิดความสุขใจเจริญใจสำหรับ ผู้ให้และผู้รับถ้าเราเอามาแบ่งปันเอามาแจกจ่ายกันก็จะทำให้เกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจขึ้นมาผู้รับก็มีความสุขใจผู้ให้ก็มีความสุขใจที่เห็นผู้รับมีความสุขนี่แหละคือความเมตตาขอให้เราพยายามทำกันบ่อยๆ ทำกันอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเรานี้จะเย็นจะสบายจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายไปกับกเรื่องราวต่าง ๆ, ๆการแผ่เมตตาก็ต้องแผ่เวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์จริงไม่ใช่แผ่เวลาที่เราอยู่คนเดียวตามลำพังเช่นเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตา อย่างนั้นไม่เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาถ้าเป็นนักมวยก็เหมือนกับชกกระสอบทรายยังไม่ขึ้นเวทียังไม่มีคู่ต่อสู้การชกกระสอบทรายนี้ยังไม่รู้ว่าแพ้หรือชนะจะรู้ว่าแพ้หรือชนะก็ต้องขึ้นไปที่เวทีไปเจอคู่ต่อสู้เขาต่อยเราเราต่อยเขาถ้าเราต่อยชนะเขาเขาแพ้เรา แย่งนั้นถึงจะเรียกว่าชนะชั้นใดการต่อสู้กับความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทจองเวงจองกรรมก็ต้องรอให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนเหมือนกับขึ้นเวทีตอนที่เราอยู่คนเดียวนั่งไม่มีใครมาทำให้เราโกรธไม่มีใครทามาให้เราเกลียดหรือถ้ามีคนทำให้โกรธให้เกลียดมาแล้วที่ผ่านมา เราลองนึกขึ้นมาดูสิว่าเราให้อภัยเขาได้หรือเปล่าเราไม่ถือโทษโกรธเกอนเขาได้หรือเปล่าถ้าเราทำได้ก็แสดงว่าเราก็ได้ขึ้นเวทีในระดับหนึ่งแต่เพื่อความแน่ใจก็ต้องเวลาไปเจอกับเขาอีกทีหนึงน่งดูแล้วดูว่าเราจะยิ้มให้เขาได้หรือเปล่าเราจะมีของไปฝากให้เขาได้หรือเปล่าถ้าเรามีของไปฝากให้เขาได้ ยกโทษให้อภัยเขาได้เราก็จะชนะเราก็จะเป็นผู้ชนะเราก็จะได้แผ่เมตตาอย่างจริงจริงการแผ่เมตตาของพวกเราส่วนใหญ่เรามักจะไปแผ่ตอนที่ยังไม่มีเหตุการณ์ไม่มีคู่ต่อสู้แผ่แบบนั้นไม่เรียกว่าแผ่เรียกว่าซ้อมเหมืองงนนักมวยซ้อมชกกระสอบทรายไปก่อนต้องรอให้ขึ้นเวที รอให้เจอให้เขาด่าเราให้เขาว่าเราให้เขาทุบเขาตีเราให้เขากลั่นแกล้งเราด้วยวิธีการต่างๆดูถูกดูแคลนเหยียดหยามอะไรต่างๆแล้วดูซิว่าเราจะแผ่เมตตาได้หรือเปล่าอันนั้นแหละเป็นเวเวลาที่จะต้องแผ่เพราะถ้าเราแผ่ได้ความโกรธก็จะหายไปความเกลียดก็จะหายไป ความเสียใจก็จะหายไปใจก็เย็นใจก็จะสบายใจก็จะไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายถ้าเราแผ่ไม่ได้ใจจะร้อนใจจะคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายถ้าห้ามไม่อยู่ก็ด่ากันว่ากันตอบโต้กันเสร็จแล้วก็ตีกันตีกันไปตีกันมาเดี๋ยวก็ฆ่ากันตาย ถ้าตายแล้วคนตายก็หมดปัญหาไปแต่คนอยู่ก็ต้องดิ้นหลบหนีเจ้าหน้าที่หลบหนีญาติพี่น้องที่เขาเกิดความโกรธเกลียดเครียดแค้นขึ้นมาที่จะตามมาอาฆาตพยาบาทต่อวิธีการแบบนี้ไม่ใช่เรียกว่าเป็นวิธีการแผ่เมตตาวิธีแผ่เมตตก็คือต้องยอมแพ้ ยอมให้เขาด่ายอมให้เขาตียอมให้เขาดูถูกเหยียดหยางขอให้เราถือหลักธรรมะที่ว่าสัพเพธรรมาอนัตตาคําว่าอนัตตาก็คือเราไม่สามารถไปห้ามเขาได้เหมือนกับฝนฟ้าอากาศเราไม่สามารถไปสั่งให้ฝนตกหรือฝนหยุดได้ฝนจะตกถ้าเราอยู่ใต้ฟ้าไม่มีร่มก็ต้องเปียกไป เปียกก็เท่านั้นเองเราก็ยอมเปียกไปเดี๋ยวฝนหยุดแดนออกเดี๋ยวก็แห้งเวลาอาบน้ำเราก็เปียกอยู่แล้วเราไปเปียกฝนนี่จะไปเดือดร้อนทำไมมันก็เปียกเหมือนกันทำไมเปียกแบบหนึ่งเดือดร้อนเปียกเปียกอีกแบบหนึ่งไม่เดือดร้อนเวลาอาบน้ำนี่เปียกทั้งตัวไม่เดือดร้อนแต่เวลาอยู่ข้างข้างนอกฝนตกทำให้เปียกกับเดือดร้อนขึ้นมา พาราะใจเรามันจู้จี้จุกจิกนั่นเองเปียกแบบนี้ได้เปียกแบบนี้ไม่ได้ก็เหมือนกันกับคําพูดของคนคําพูดของคนมันจะพูดดีหรือพูดร้ายมันก็แค่เป็นเสียงลมพัดนี่เหมือนเสียงนกเสียงกานกบรรดาเราเราก็ไม่รู้นกมันชมเราเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ทุกข์กับมันเพราะมันเป็นแค่เสียงแต่ทํำไมเสียงคนพอพูดดา่าเราเรากลับไปเดือดร้อน เวลาเขาชมเราเราทำไมถึงไปดีออกดีใจมันก็เสียงลมอยู่ดีๆนีอ่อยู่ที่เราเร า, เราไปบ้ากับเขาเองเราไปหลงกับสมมุตินิยมของเขาว่าเสียงอย่างนี้เป็นเสียงชมเสียงอย่างนี้เป็นเสียงด่าพอใครดา่าเราก็เสียใจเพราะอะไรเพราะเราไม่ชอบให้คนดา่าถ้าเราชอบให้คนดา่าเราจะไม่เสียใจ เพราะอะไรเพราะเวลาเราชอบแล้วเราได้อะไรเราจะดีใจใช่ไหมเวลาเราอยากได้อะไรพอเราได้แล้วเป็นไงดีใจไหมดีใจแต่ถ้าเราไม่ชอบให้มาดีขนาดไหนเราก็ไม่ดีใจดังนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ของที่เขาให้มามันไม่ได้อยู่สิ่งที่เขาทำกับเราปัญหาอยู่ที่ใจของเราไปชอบหรือไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราต้องมาแก้ปัญหาที่ใจของเรา เราต้องมาชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบให้ได้แล้วต่อไปเวลาใครก็ทำในสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะไม่เดือดร้อนนี่แหละคือวิธีแก้ปัญหาที่แท้จริงแก้ที่ใจของเราใจของเราชอบไม่ชอบเพราะอะไรเพราะหลงหลงไปคิดว่าสิ่งที่เราชอบนั้นดีสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นไม่ดีความจริงมันไม่ดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายสิ่งที่เราชอบมันก็ไม่เที่ยง เราก็ห้ามมันไม่ได้สิ่งที่เราไม่ชอบมันก็ไม่เทีย่ยงเราก็ห้ามมันไม่ได้เช่นคนที่เรารักเราชอบเราห้ามเขาได้หรือเปล่าห้ามเขาไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้หรือเปล่าถึงเวลาเขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายเขาก็เกิดขึ้นพอเขาเกิดขึ้ น, เ, เ, นเราก็เสียใจเพราะเราไปชอบเขาแต่ถ้าคนที่เราไม่ชอบก็เหมือนกันเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันเราก็ห้ามไม่ได้เหมือนกัน เวลาที่เขาตายเป็นยังไงเรากลับสบายใช่ไเราไม่ชอบเขานั้นปัญหาของเราอยู่ที่ชอบไม่ชอบเวลาเราเกิดความทุกข์ใจเราต้องเปลี่ยนทันทีถ้าทุกข์เพราะไม่ชอบก็ต้องเปลี่ยนให้ชอบให้ได้ถ้าทุกข์เพราะชอบก็ต้องเปลี่ยนให้ไม่ชอบให้ได้เช่นคนที่เรารักตายไปเราก็เปลี่ยนเป็นเป็นคนที่เราเกลียดไปถ้าเราเกลียดเขาแล้วเขาตายไปเราก็ไม่เสียใจ นี่ละคือวิธีสอนใจอย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆในโลกนี้อย่าไปชอบอย่าไปชังเพราะว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่เราไปหลงยึดติดเท่านั้นเองความจริงมันก็เป็นแค่เสียงเสียงด่าก็เป็นเสียงเสียงชมก็เป็นเสียงมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันด่าแล้วมันก็หายไปชมแล้วมันก็หายไปแต่ใจเราไปยึดไปติดมัน มันหายไปแล้วแต่เรายังเอามาคิดอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆคนชมตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้ยังคิดอยู่ยังยิ้มอยู่ทุกครัง้งที่เวลาคิดถึงคนที่เขาชมเราเช่นเดียวกับเวลาที่เขาด่าเราคิดทีไรก็ปวดใจขึ้นมาทันทีปัญหาอยู่ที่ใจเราที่ไม่รู้จักปล่อยวางทุกอย่างทุกอย่างมันเกิดขึ้นปับ๊บมันก็หายไปแล้วแต่เราเอามา เอามาอุ่นเหมือนกับข้าวกินอาหารเหลืออยู่ก็ไม่ยอมทิง้งเอามาอุ่นกินซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาด่าแล้วก็เอามาคิดอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกคิดแล้วก็ทุกไปทุกครั้งที่ที่คิดถึงคำด่าของเขาถ้าเรารู้จักทาใจไม่ให้ดึงอดีตมาปล่อยให้อดีตมันผ่านไปให้เราอยู่ในปัจจุบันใจของเราจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่าง เพมันเกิดขึ้นปั๊บมันก็ผ่านไปแล้วเขาด่าเรามันก็ผ่านไปแล้วเขาตีเรามันก็ผ่านไ like right. cool. ปแล้วเราเจ็บเราก็เปรียบเทียบความเจ็บว่าก็เวลาเราไม่สบายเราเจ็บทำไมเราไม่ไม่โมโหถ้าเราต้องโมโหตอนที่เขามาตีเรามันก็เจ็บเหมือนกันทำไมเราทำใจกับความเจ็บของร่างกายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยได้ทำไมเราทำใจกับคนที่เขาตีเราไม่ได้ มันก็เจ็บแบบเดียวกันบางทีเจ็บน้อยกว่าด้วยซ้ําไปบางทีไม่เจ็บเลยเพียงแต่ผู้ท่านั้นก็เจ็บเข้าไปที่ใจแล้วเ<ม>พราะเราไม่รู้จักควบคุมใจของเราไม่ให้ไปยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้เ<ม>พราะเราหลงกับสิ่งต่างๆหลงรักสิ่งที่เราชอบหลงเกลียนในสิ่งที่เราไม่ชอบ ก็เลยทำให้ใจเราวุ่นวายไปกับการที่ต้องพบปะสัมผัสกับสิ่งต่างๆแต่ถ้าเรารู้จักทำใจให้เฉยได้เราเจอสิ่งที่ไม่ชอบเราก็เฉยเราสิ่งที่เจอสิ่งที่เราชอบเราก็เฉยถ้าเฉยแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยใครตีก็เฉยตีก็อาจจะคิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเรา คิดอย่างนี้มันก็สบายใจแล้วเขาเพียงแต่ตีเราเขายังไม่ฆ่าเราคือวิธีรักษาใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขให้คิดดีพูดดีทำดีเราต้องรู้จักจเจริญอุเบกขาอุเบกขาก็คือการทาใจให้ปล่อยวางให้วางเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเห็นอะไรถูกใจหรือไม่ถูกใจก็เฉย ได้ยินอะไรถูกใจหรือไม่ถูกใจก็เฉยต้องกินอาหารที่ชอบหรือไม่ชอบก็เฉยกินมันเข้าไปเราไม่ได้เป็นคนกินคนที่กินคือร่างกายใจไม่ได้กินอาหารแต่ใจกลับไปเดือดร้อนแทนร่างกายร่างกายมันไม่เดือดร้อนให้มันกินอะไรมันก็กินได้ถ้ากินแล้วมันไม่เจ็บไข้ได้ปวดไม่ไม่ทำให้ท้องเสียก็กินเข้าไป เราเรากินอาหารเพื่อร่างกายไม่ได้กินเพื่อใจใจไม่ได้กินร่างกายต้องการอาหารก็หาอาหารให้มันกินอาหารแบบไหนก็ได้อาหารจีนก็ได้อาหารไทยก็ได้อาหารฝรั่งก็ได้เหมือนกันกินเข้าไปแล้วทําให้ท้องอิ่มก็ใช้ได้ดับความหิวแล้วก็ใช้ได้ดังนั้นเราอย่าไปวุ่นวายกับสิ่งต่าง เราหัดมาทำใจให้เฉยกับสิ่งต่างๆให้ได้แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆเวลาเจอสิ่งที่เราชอบเราก็จะไม่อยากได้เพราะถ้าเราได้มาแล้วเดี๋ยวเวลาเราเสียไปเราก็จะเสียใจถ้าเราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเราเฉยๆเราก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละการทำใจให้เป็นอุเบกขานี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดจะทำให้เรา สงบล่มเย็นเป็นสุขไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนวิธีทำใจให้เฉยเป็นทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องใช้สติเจริญสติควบคุมความคิดของเราอย่าปล่อยให้ใจเราคิดเพราะคิดแล้วมันจะคิดไปในทางชอบทางไม่ชอบแล้วก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเวลาคิดถึงสิ่งที่ชอบก็เกิดความสุข เวลาคิดถึงสิ่งที่ไม่ชอบก็จะเกิดความทุกข์เช่นถ้าคิดว่าเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราก็จะมีความสุขแต่คิดว่าพอรับรางวัลแล้วเราจะต้องตายเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาดัางนั้นอย่าไปคิดพุดโธพุดโธไปเราอยู่ไปตามความเป็นจริงร่างกายมันจะอยู่ก็อยู่ไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปแต่เราอย่าไปตีตนก่อน่ายไม่เกิดประโยชน์อะไร ตอนนี้เรายังอยู่ร่างกายยังอยู่ก็อยู่ประมาณไปมันจะตายเมื่อไหร่ก็ปล่อยมันตายไปวิธีที่จะทำให้ใจเราเฉยได้เราต้องมีสติต้องเจริญสติคือการบริกรรมพุทโธนี่ก็เป็นวิธีเจริญสติอย่างหนึ่งท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าเราท่องพุทโธแล้วเราก็จะไม่สามารถคิดเรื่องนั้นอย่างนี้ได้ถ้ามันยังคิดอยู่ก็อย่าไปสนใจ ให้สนใจอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปความคิดต่างๆมันก็จะหายไปแล้วเราสามารถสั่งให้มันคิดไปในทางที่ดีได้ทางที่ไม่ดีเราก็หยุดมันได้เวลาคิดแล้วทำให้เราไม่สบายใจเราก็หยุดคิดเราดึงมันมาให้คิดในทางที่ทำให้เราสบายใจหรือทำให้มันไม่คิดให้มันอยู่เฉย ถ้าเรามีสติเราสามารถควบคุมได้เพราะสตินี่ก็เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์นี่รถยนต์ถ้าไม่มีเบรกนี้เราจะกล้าขับออกไปตามท้องถนนหรือไม่ขับไปเราวเดี๋ยวถึงสี่แยกไฟแดงจะหยุดมันอย่างไรถ้าไม่มีเบรกแันใดใจของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะเบรคความคิดที่ไม่ดีไม่ได้พอเราคิดร้ายเราก็จะไปพูดร้ายทาร้าย พอคิดล้ายพูดร้ายทําร้ายแล้วความวุ่นวายใจก็เกิดขึ้นพอเกิดความเสียหายตามมาเราไปทําร้ายผู้พื่นผู้อืาก็ยังต้องโกรธเราเขาก็ยัต้องพยายามกลับมาทำร้ายเราพอเรารู้ว่าจะมีคนมาทําร้ายเราเราก็ไม่สบายใจนี่ก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีเบรกกันไม่มีสติกันเวลามีความโกรธไม่สามารถยับยั้งใจได้พอโกรธแล้วก็ต้อง ระบายออกมาปล่อยออกมาพอปล่อยออกมาแล้วเป็นอย่างไรก็มีแต่ความทุกข์ใจมีแต่ความวุ่นวายใจตามมาเพราะเราไม่รู้จักควบคุมใจของเราฉนั้นพยายามหัดเจริญพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปตั้งแต่ตื่นจนหลับเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดก็ให้ใช้พุโทโธ อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้คิดแล้วก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆตามมาส่วนใหญ่ก็จะเกิดอารมณ์ไม่ดีแล้วเราก็จะทำให้เราวุ่นวายใจถ้าเราไม่คิดได้เราก็จะสบายใจใจก็จะว่างนี่แหละเป็นวิธีที่เราควรที่จะมาเจริญกันจเจริญอุบเบกขาจเจริญเมตตา จเจริญกรุณากรุณาก็คือความสงสารสงสารก็คือเวลาเห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากลาบากเดือดร้อนถ้าเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็ควรที่จะช่วยเหลือเขาแต่ควรที่จะช่วยเหลือในสิ่งที่ควรช่วยสิ่งที่ไม่ควรช่วยก็ไม่ควรจะช่วยเช่นเขาเดือดร้อนเพราะเขาไม่มีเงินซื้อสุรามาดื่ม อย่างนี้เราก็ไม่ควรช่วยเขาเพราะว่าการดื่มสุรานี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเดินไปแล้วก็จะทำให้เขามึนเมาแล้วก็จะทำให้เขาเกียจคร้านไม่ทำมาหากินเขาก็จะพึ่งตัวเองเขาไม่ได้พอเงินที่เราให้เขาไปซื้อสุราหมดเขาก็จะกลับมาขอใหม่ดังนั้นถ้าเป็นการช่วยเหลือในทางที่ทำให้เขาแย่ลงไม่ใช่ดีขึ้นก็ไม่ควรช่วยเหลือ แต่ถ้าเขาอยากจะไปโรงเรียนไม่มีค่าศึกษาไม่มีค่าเล่าเรียนขอร้องให้เราช่วยส่งเสียให้เขาร่ำเรียนอย่างนี้ถ้าเรามีปัญญาที่จะส่งเสียให้เขาได้เราก็ส่งเสียไปส่งให้เขาไปเรียนหนังสือให้เขาได้มีการศึกษามีวิชาความรู้พอเขามีวิชาความรู้แล้วเขาก็จะทํามาหากินได้ เขาก็ไม่ต้องมาขอเงินขอทองเราอีกด้านดีไม่ดีเขาอาจจะรวยกว่าเราก็ได้วันดีคืนดีเราตกทุกข์ได้ยากเขาก็อาจจะมาช่วยเหลือเราได้นี่คือความการุณาความสงสารควรจะช่วยเหลือผู้ที่เขาด้อยโอกาสผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากลาบากแต่ควรจะช่วยให้เขาช่วยตัวเองให้เขาได้พัฒนาตัวเองให้เขาดีขึ้น หรืออย่างน้อยก็ช่วยให้เขามีชีวิตยอยู่ต่อไปเช่นถ้าไม่มีอาหารก็หาอาหารมาให้เขาไม่มีเสื้อผ้าก็หาเสื้อผ้ามาให้เขาไม่มียารักษาโรคก็หายารักษาโรคมาให้ไม่มีที่อยู่อาศัยก็หาที่อยู่อาศัยให้เขาทาอย่างนี้เราก็จะมีความกรุณาคือเราจะไม่มีจิตใจที่ดูดายร้อยความกรุณา เห็นใครทุกข์เห็นใครเดือดร้อนก็บอกช่างหัวมันกรรมของมันอย่างนี้ก็จะทําให้เราไม่มีจิตใจไม่มีความสุขถ้าเราได้ช่วยเหลือผู้อย่างวันนี้ญาติโยมก็ได้มาช่วยเหลือพระภิกษุสา ม, มเณรช่วยนำอาหารข้าวหวานมาให้สา ม, มเณรให้พระภิกษุได้ฉันได้รับประทานพอเราให้ความช่วยเหลือก็พูดให้คนอื่นเขามีความสุข เราก็เกิดความสุขใจอิ่มใจตามมานี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะทำให้กับจิตใจเพราะจิตใจของเราต้องการอาหารอาหารของใจก็คือความอิ่มใจสุขใจที่จะเกิดจากการมีความเมตตามีความกรุณาและมีมุนิตามุนิตาคืออะไรมุนิตาก็คือความชื่นชมยินดีกับความสุขของผู้อื่น กับความเจริญของผู้อื่นเช่นเวลาเราเห็นคนอื่นเขามีความสุขเช่นเขาแต่งงานกันเราก็ต้องชื่นชมยินดีอย่าไปอิจชาลื้สยาเพราะเขาแต่งกับแฟนของเราเราต้องใช้เมตตาต้องให้อภัยถ้าให้อภัยไม่ได้ก็ใช้อุบเบกขาทำใจให้เฉยๆว่าเราบังคับใจเขาไม่ได้ เมื่อเขาไม่ชอบเราเขาอยากจะไปแต่งกับคนอื่นเราก็ต้องทําใจเพราะถือว่าเราเขาเขาเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเราจะไปสั่งให้ฝนตกไม่ตกไม่ได้ฉันใดเราจะไปสั่งให้แฟนแต่งงานกับเราหรือไม่แต่งเราก็สั่งไม่ได้เรื่องของเขาแต่เมื่อเขาแต่งแล้วเขามีความสุขเราก็ควรที่จะชื่นชมยินดีกับความสุขของเขา เพราะถ้าเรายินดีกับความสุขของผู้อื่นเราก็จะมีความสุขด้วยเช่นเวลาเราเห็นเพื่อนที่เรารักเขาแต่งงานเราดีใจไปกับเขาเราไปชื่นชมยินดีเราก็มีความสุขแต่ทำไมเวลาแฟนของเราไปแต่งเรากลับไม่ชื่นชมยินดีเขาก็มีความสุขเหมือนกันก็เพราะว่าเราอิจฉาลิสยาเราไม่อยากให้เขามีความสุข เราอยากจะให้เขาแต่งกับเราเท่านั้นถึงจะมีความสุขเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามฝืนใจเราถ้าคนอื่นเขามีความสุขก็ชื่นชมยินดีไปถ้าทําชื่นชมยินดีไม่ได้ก็ทําใจเฉยๆว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาอยากจะแต่งกับใครก็อยากจะมีความสุขกับใครก็เรื่องของเขาอย่างน้อยเราก็จะได้ไม่ไปคิดร้าย ถ้าเราโกรธเสียใจเพราะเขาไปแต่งกับคนอื่นไม่แต่งกับเราเราเกิดความโกรธเตียดขึ้นมาได้อาฆาตพยาบาทขึ้นมาได้แล้วเราอาจจะไปหาวิธีทำร้ายเขาต่อไปก็ได้ไปทำคุณใสไปทำอะไรต่างๆเพื่อให้เขาแยกกันเพื่อให้เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันต่อไปทำอย่างนี้ก็จะเป็นเวรเป็นกรรมกันนะยันหัดพยายาม ยินดีชื่นชมกับความสุขความเจริญของผู้อื่นเหมือนกับเวลาที่เราเล่นกีฬาไม่เล่นกีฬาก็ต้องมีแพ้มีชนะคนที่แพ้เนี่ยแหละควรจะรู้จักคําว่ามุดิตาคือต้องยินดีกับชัยชนะของผู้อื่นเขาชนะก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องเล่นกีฬากันไปเล่นกีฬามันก็ต้องมีแพ้มีชนะแต่เราเล่นเพื่อกระชับมิตรกระชับไมตรีจิตเราเล่นเพื่อ พัฒนาจิตใจของเราไม่ใช่เล่นเพื่อทำให้จิตใจของเราตกตำ่ำวิธีทำให้จิตใจของเราตกต่ำก็คือไม่ยอมแพ้เขาชนะก็พานหาว่าเขาเล่นโกงบ้างเห็นว่ากรรมการเข้าข้างเขาบ้างร้อยแปประการถ้าคิดอย่างนี้มันก็ทำให้ใจเราเสื่อมทำให้ใจเราไม่ดีไปเป่ า, ปาแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเรามาเล่นกันเพื่อที่จะได้ มีความสนุกสนานกันผ่อนคลายได้ออกกำลังกายกันเรื่องแพ้เรื่องชนะนี่เป็นเรื่องจิบจอยไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตสำคัญอะไรสำคัญที่เรามีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันรักการชอบกันอย่างนี้ต่างหากคือเป้าหมายของการเล่นกีฬาแต่สมัยนี้คนเราขาดคุณธรรมไม่รู้ว่าเล่นกีฬาไปเพื่ออะไรก็เล่นไปเพื่ออัตตาตัวตน ตนเองต้องเก่งกว่าเขาต้องดีกว่าเขาสู้เขาไม่ได้นี้อับอายขายหน้าอันนี้เป็นเรื่องของความหลงไม่ใช่เป็นธรรมะเป็นเหตุที่จะทำให้คนเราทุกไปเปล่าๆโดยใช่เหตุนี่แหละเป็นเพราะว่าคนไม่ค่อยได้เข้าวัดกันไม่รู้จักคำว่ามุดิตาเป็นอย่างไรไม่รู้คุณค่าของมุดิตาว่าเวลาเรา มีมุติตาจิตนี้เรามีความสุขจะตายไปส่วนใหญ่เราไปมุติตากับคนที่เราชอบคนที่เรารักแต่เราไม่สามารถมุติตากับคนที่เราโกรธคนที่เราเกลียดได้เราต้องมาพยายามทำมุติตากับคนที่เราเกลียดให้ได้ชื่นชมยินดีไปกับชัยชนะของเขาแล้วใจของเราจะสูงขึ้นใจของเราจะมีความสุขมากขึ้น เพราะจะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความอิจฉาริอเสีนี่แหละคือวิธีการที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างความสุขสร้างความร่มเย็นให้แก่จิตใจของเราด้วยการเจริญพรหมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุฎิตาโอเบขาถ้าเรามีพรหมวิหารสี่อยู่ในใจแล้วเราจะคิดดีพูดดีทำดี เมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีแล้วใจของเราก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาเจริญพรมวิหารสีเพื่อให้มีความร่มเย็นเป็นสุขให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้